นี่ต่อไปเลยนะว่าสังขารทั้งหลายวันไว้ตลอดทิศทั้งปวงสังขารเนี่ยทุกทิศเนี่ยวันไว้เหมือนกันหมดนะคือถ้าการเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยจึงเห็นว่าไม่ใช่หยุดอยู่แค่พิจารณาอย่างนี้ภายในนะก็ให้พิจารณาไปทิศอื่นนะเช่นทิศ ต, ตะวันออกว่าสังขารในทิศ ต, ตะวันออกเนี่ยแม้สังขารเหล่านั้นก็วันไว้สะเทือนสะท้านเอียงเพราะเป็นสภาพไม่เที่ยงอันะ เป็นสภาพอันชาติติดตามชาราห้อมล้อมพญาที่ครอบงามรณะกำจัดตั้งอยู่ในกองทุกไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่หลีกเล้นไม่มีที่พึ่งเป็นสภาพไม่มีที่พึ่งเอาไปอยู่ฮ่องกงตอนนี้ะอยู่ญี่ปุ่นเอาก็ชาติติดตามเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมไปอยู่ที่นั่นก็มีชาราห้อมล้อมพยาที่ครอบงามรณะห้ามพันตกอยู่ในกองทุกตามเดิมอีกอถึงไปอยู่แดนอาทิตย์อุทัยก็เถอะเหมือนกัน หรือทิศอื่นๆอีก น, นะทิศ ต, ตะวันตกที่ไหนดียุโรปเลยนะอยู่ก็พวกตะวันตกนลยนะหรืออินเดียไหมพม่ากันอินเดียนะไล่เลยไปแอฟริกาหรือไล่ไปจนถึงยุโรปนี่นะก็ไม่น่าปลาธนามันกันหมดนนะหรือว่าทิศเหนือทิศเหนือข้ามจีนเลยนะไปขั้วโลกเลยนะหรือว่าไปทิศใต้ทั้งหลายดีตกมาเลยใช่ไหมสิงคโปร์นั่นนะ ไปไกลอีกเฉียงเชียงไปหาอะไรหาออสเตรเลียไงนะนั่นแหะก็เดือดร้อนไปอีกไงนะทุกทิศเชียงเฉียงก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอาคเนพายาบอีสานฮรดีหรือเบื้องต่ํำนะลงต่ําลึกหรือทิศเบื้องบนอะ่ะขึ้นสูงอ่ะนะทั้งสิทธิทศทุกทิศว่า ง, งั้นเถอะสังขารทั้งหมดเนี่ยวันไหวสะเทือนสะท้านเอ็นเอียงเพราะเป็นของไม่เที่ยงอ่านะสมมุติถ้าเราจะต้องไปอยู่ณนะทิศนั้น น, นอ่ะนะ จะต้องไปอยู่สภาพในทิศนั้น น, นทุกทิศเนี่ยทั้งหมดนั้นก็เป็นสภาพอันชาติติดตามชราห้อมล้อมพยาธิครอบงำพยาธิครอบงำท่านอธิบายว่าเพราะธาตุมันเปลี่ยนแปลงปฏวีธาตุเปลี่ยนเตโชอาโปวายโอมันเปลี่ยนอ่ะนะท่า น, นก็ป่วยไข่อ่ะนะไปอยู่ประเทศไหนบางที่เขาไม่ป่วยกันเียไหมน่นนะประเทศที่ไม่ชราประเทศที่ไม่แก่ไม่ตายเนี่ยนะไม่มีมันก็ตั้งอยู่ในกองทุกข ไม่มีที่ป้องกันไม่มีที่เหล็กไม่ไม่มีที่หลีเกรนไม่มีที่พึ่งเป็นสภาพไม่มีที่พึ่งทุกประเทศต้องเหมือนกันคือหนึ่งถ้าไม่มีหลุมฝังศพก็ต้องมีที่เผาศพเห็นไหมจะต้องเหมือนกันทุกประเทศนะไม่มีประเทศไหนที่ไม่ต้องทําอันนี้นะจะต้องมียไม่มีที่เผาศพต้องมีต้องมีที่ทิ้งศพที่เผาศพที่ฝังศพเนี่ยจะต้องทําเหมือนกันทุกประเทศแล้วโรงพยาบาลก็ต้องมีทุกประเทศด้วยเนี่ยนะรักษาคนเจ็บใช่ไหมรักษาคนคน คนคนที่เกิดมาเนี่ยที่จะต้องเจ็บต้องป่วยเนี่ยนะนั้นปัญหาอันนี้เรียกว่าถือว่าเป็นปัญหาสาธารณะนะแก่เจ็บตายเนี่ยปัญหาสาธารณะมีอยู่ทุกประเทศมีอยู่ทุกโลกทั่วโลกสมจริงดังภาษิต ท, ที่ว่าก็วิมานี้สว่างรุ่งเรืองอยู่ในทิศอุดรแม้โดยแท้อะไรเป็นวิมานสว่างสวัยเลยมัง้งะเมืองเนรมิตนะเมืองวิมานเนี่ยเมืองสวรรค์ บัณฑิตเห็นความชั่วคือโทษในรูปแล้ววันไว้ทุกเมื่อเพราะเหตุนั้นท่านผู้มีปัญญาดีย่อมไม่ยินดีในรูปแม้กระทั่งวิมานก็เที่ยงไม่แล้วนะเอาไหมถ้าจะให้ยกวิมานอันนั้นยกยกอ่ะนะวิมานก็คือพวกวังทั้งหลายเขาจะเรียกวิมานเลยพวกพระราชวังทั้งหลายเขาเรียกวิมานเอาไหมถ้ายกวิมานสมัย เป็นวิมานไม้ทั้งหลังเลยนะสมัยหลายหลายสิบ ป, ปีหลายหลายร้อยปีที่แล้วให้ดูแลเนี่ยน่าสนใจไหมนะไม้แต่ละอันหยิบตรงไหนก็โผล่เกือบหมดเลยนะไม่รู้ปลวกในนั้นเท่าไหรนะ่อะนนั้นอันก็วิมานเหล่านั้นก็ไม่น่ายินดีอันนั้นแม้กระทั่งว่ารถชั้นเยี่ยมเนี่ยนะเอารถสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะเอามาขับตอนนี้จะเป็นยังไงแม้กระทั่งรถยุคนั้นนะที่ยี่ยมยุคนั้นเลยอนะมายุคนี้เอา แล้วสิ่งที่เยี่ยมเยี่ยมยุคนี้นะจะต้องบริหารสิ่งนี้อีกต่อไปอีกห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะพันรูปทั้งหมดจึงไม่น่ายินดีโลกอันมัจจุกําจัดอันชราห้อมล้อมถูกลูกสอนคือตันหาเนี่ยแทงติดมีชนักติดเหมือนกันทุกคนก็คือตันหาเนี่ย ลุกเป็นควันเพราะความปรารถนาทุกเมื่อนะควันะสมมติถ้าตันหามันออกเหมือนควันทูบเนี่ยนะทุกคนนึงใส่ควันมันกระจายขนาดไหนไม่ทราบนะตันหามันปรารถนามากอะโลกทั้งปวงนี่อันไฟติดทั่วโลกทั้งปวงนี่อันไฟให้ลุกโผลงโลกทั้งปวงนี่อันไฟให้ลุกรุ่งโรดโลกทั้งปวงเนี่ยหวั่นไหว ถามว่าไฟติดทั่วไฟลุกไฟให้รุ่งโรจน์เนี่ยวันไหวเนี่ยไฟคืออะไรก็ไฟคือราค่ามันเผาอะไฟคือโทสะเนี่ยเผาไฟคือโมหะเผาขณะเดียวกันก็ยังมีไฟคือชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยแผดเผาอยู่นั่นแหละเราเมื่อปรารถนาความเจริญเพื่อตนเนี่ยนะพระพุทธเจ้านะบอกว่าพระองค์เนี่ยปรารถนาความเจริญเพื่อตนว่า เมื่อเรายินดีปรารถนาะประสงค์รักใคร่ชอบใจซึ่งความเจริญคือปรารถนาะที่ป้องกันที่หลีกเล้นที่พึ่งที่ดําเนินที่ก้าวหน้าเพื่อตนก็ไม่ได้เห็นซึ่งฐานะอะไรอะไรอันไม่ถูกครอบงำเห็นไหมไม่ที่ที่ไม่ถูกครอบงําไม่มีถ้าต้องไปอยู่ในฐานะนั้นนะที่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยไม่มี ทุกฐานะเลยเช่นเราไม่ได้เห็นฐานะอะไรอันไม่ถูกครอบงำคือไม่ได้เห็นฐานะทั้งปวงให้ถูกครอบงำทั้งคือฐานะทั้งปวงเนี่ยถูกครอบงำทั้งนั้นเช่นถ้าต้องถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไ ร, ร, ค, นน u, าราครอบงำบอกความเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งปวงเนี่ยถูกชราครอบงำนะนะความเป็นหนุ่มเขาก็เคยเป็นเป็นสาวกันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเคยหนุ่มกันทั้งนั้นน่ะนะคนเคยทั้งนั้นน่ะนะนั้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ถูกความชร า, านี้ครอบงำ คนเคยหนุ่มคนเคยหนุ่มอนะันนั้นี่คนเคยหนุ่มความไม่มีโรคก็ถูกพยาที่ครอบงําตรงไหนที่มันไม่มีโรคเนี่ยนะที่ต่อไปที่นั้นจะมีโรคทั้งหมดเนี่ยนะในที่สุดจะต้องนํามาซึ่งโรคเอานะในร่างกายเราเนี่ยมั่นใจตรงไหนว่ามันจะไม่มีปัญหาต่อไปเลยเนี่ยนะระยะยาวเนี่ย น, ยนึกไม่ออกเลยนะ มันความไม่มีโรคก็ถูกโรคครอบงำมันไอตอนไม่มีโรคอย่าไปยิ้มมันทางนั้นอีกไม่นานเนี่ยโรคจะลงตรงนั้นแล้วเนี่ยชีวิตทั้งปวงเนี่ยถูกมรณะครอบงำเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็คนเคยมีชีวิตอ่ะนะแสดงว่าไม่ใช่แล้วเนะ <c oughs> เดี๋ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะข้างหน้าเราจะพูดถึงขณะนี้ว่าอะไรต่างอะไรจากฝันมัง้งอเดี๋ยว แ, แต่เชื่อไว้ลูกหลานเรียกอยู่พักหนึ่งอ่ะนะ ออืแล้วก็ทุ่งจ้อตอนนี้เหลือในความฝันนะคุณมันชูนะฝันเอาะทุ่งจอเนี่ยฝันเอาทั้งนั้นแหละจะว่าจริงก็ใช่จริงอะ่ะแต่ว่าไอ้ความจริงที่ไม่เที่ยงเอาเป็นความจริงที่ไม่ยั่งยืนะนะเนี่ยนนะลาบทั้งปวงถูกความเสื่อมลาบครอบงำเนี่ยนะสำนวนนะถ้าเช่นวันเงินเดือนออกมีทุกวันหรือเปล่าคุณโชคดีไมด้มีทุกวันอ่ะนะ ก็แสดงว่าเงินเดือนออกไม่ได้ทั้งวันที่ไหนมันออกเป็นไม่แค่หยิบแค่ยืยย่นแค่นั้นเองอะนะหลังจากนั้นเนี่ยนะจะเป็นวันจ่ายทั้งหมดเนี่ยนะจ่ายหลังที่นั้นเยจะเหลือจ่ายอย่างเดียวเนี่ยนะขาเข้ามีอยู่แพรพเดียวนะที่เหลือขาออกทั้งนั้นเลยนะก็อย่างเหมือนอาหารเนี่ยบริโภคอาหารเนี่ยเข้าไปทวารเดียวคือทวารปากเลยออกเก้าทวาร ออกตาบ้างออกทางหูบ้างออกจมูกบ้างออกทางปากคืนบ้างออกทวารหนัออกทวารเบาเนี่ยนะเข้าหนึ่งออกเก้าอะคิดตรเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันนะถ้าได้ความลาบทั้งหลายเนี่ยนะก็มีความเสื่อมลาบเป็นที่สุดเนี่ยนะยศทั้งปวงถูกความเสื่อมยศครอบงําใครจะถูกค้่อมล้อมทั้งปีทั้งชาตินั่นนะตําแหน่งอะไรที่มันอมาตะบ้างเลยเนี่ยนะมีหร อ, ก เ, นะรเาอากเนี่ยนะพระเจ้าโศกเนี่ยนะ เวลาจะตายจริงๆเนี่ยตายแบบว้าเหวเนะ่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้ น, นตายมีอสมอก้อนชิ้นเดียวเหมือนกันคือคือเขาปัดออกหมดเดี๋ยวเดี๋ยวพระราชาจะให้ทานหมดเนี่ยนะก็มีพวกวางแผนที่จะไม่ให้อยู่ใกล้พระราชาเนี่ยนะเพราะข้าวของอยู่ใกล้ท่านจะให้ทานจะทําบุญหมดอะะะ่ะท่านลูกหลานเนี่ยะพวกญาติญติทั้งหลายพวกอัมมาทั้งหลายเนี่ยกลัวมากอะ่ะนั่นก็กันเต็มที่เลยอ่ะกันให้ให้ใ ห, ให้ห่างสมบัติมากที่สุดเนี่ยนะนั่นก็โหสำนวจว่า พระเจ้าชาตศัตรูเรียกว่าพระราชาคนยากนั่นนะเรียกพระเจ้าอโซกนนี่นั่นน่ะพันยศทั้งปวงก็มีความเสื่อมยศนี่เป็นที่สุดน่นนะถูกความเสื่อมยศนี่ครอบงําความสรรเสริญทั้งปวงถูกความนินทานี่ครอบงําเนี่นะก็คนที่ที่เคยชมเรานั่นแหละคือคนที่จะนินทาเราอ่ะนะคนที่นินทาเรามากที่สุดคือคนที่ชมเรามากที่สุดเนี่นะคนที่นินทาเราได้นานที่สุดคือคนที่ชมเรานานที่สุดนั่นแหละ ก็ก็เป็นอย่างนั้นพอพูดอย่างนี้อาจารย์สันติเขาบอกว่าใช่เลยใช่เลยเพราะงั้นสุขทั้งปวงเนี่ยนะถูกทุกข์ครอบงําร่างกายของเรานะแต่อย่างที่ตรงไหนที่เราว่ามันมีความสุขที่สุดนะตรงนั้นเนี่ยจะถูกทุกข์เนี่มีฟันน้อยเคี้ยวอะไรอร่อยมากนะแล้วตอนหลังเป็นยังไงอ่ะแต่ตรงนั้นเละมันปวดที่สุดนั่นแะร่างกายตรงไหนที่มันดีๆสุขเนี่ยแหละตรงนั้นแหละมันจะมันจะทุกข์มากที่สุด ดังภาสิทธ์ที่ว่าในธรรมะในหมู่มนุษย์นะคือคือความจริงอ่ะนะเป็นสภาพที่เป็นจริงในหมู่มนุษย์ก็คือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกขทุกอย่างนี่ก็ไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาะนนคือถ้าลาบยศสรนเสริญสุขนี่นะถามว่าโดยสัจจะคืออะไรก็สมุทัยสัตว์ะนั่นแหละเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะใช่ไหม ส่วนเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาความทุกข์เนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นทุกข์สัตย์ตรงตัวเนี่ยนะเพราะเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนพรนพงค์บอกว่าเราไม่ได้เห็นซึ่งฐานะอะไรอะไรอันไม่ถูกครอบงำนนะคือคือไม่มีที่สุดว่างัา้นเถอะเพราะทุกฐานะทุกตำแหน่งที่ไปอยู่มีที่สุดหมดเลย นะที่ถูกครอบงำมหมดเลยนะเช่นอย่างที่ว่าหนุ่มสาวก็ถูกชราครอบงำความไม่มีโรคก็ถูกพญาที่ครอบงำชีวิตก็ถูกความตายครอบงำลาบก็ถูกความเสื่อมลาบครอบงำยศทั้งปวงก็ถูกความเสื่อมยศครอบงำความสรรเสริญทั้งปวงก็ถูกความนินทานี่แหละครอบงำความสุขทั้งปวงก็ถูกทุกนั่นแหละครอบงำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคง อันโลกทั้งหมดไม่เป็นแก่นสารสังขารทั้งปวงเนี่ยวันไหวตลอดทุกทิศนะทุกทิศเหมือนกันหมดนะเอาเนี่ยนะถ้าถ้าขันท่าที่มันไม่เที่ยงแบบเนี่ยนะเราจะไปที่ไหนมั่งที่มันเที่ยงกันนะถ้าเอาเราไปด้วยนะสมมุติถ้าเราไปที่ไหนอสมมุติแต่เราเนี่ยเป็นป่วยเป็นโรคอยู่นะไปทิศไหนมั่งที่มันไม่ป่วยไม่ป่วยก็เอาคนป่วยไปด้วยนะไปที่ไหนมันจะป่วยหมดอ่ะก็เอาไอ้ร่างกายที่เป็นรังของโรคไปด้วยนะไปอยู่ที่ไหนมั่งที่จะไม่มีโรคอ่ะ โรคมันก็ไปไปด้วยตึกทุกแห่งกันแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาความเจริญเพื่อตนไม่ได้เห็นซึ่งฐานะอะไรอะไรอันไม่ถูกครอบงำเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ไม่มีที่สุดเนี่ยนะเอาทุกอย่างมีที่จบมีที่สิน้นมีที่สิ้นสุดทั้งหมดเลยคาถาต่อไปพระองค์ตรัสว่าเราได้เห็นที่สุดที่สกัดกั้น เราจึงไม่มีความยินดีอันหนึ่งเราได้เห็นลูกศร อ, อันเห็นได้ยากอาศัยฮะไทยสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยนะเขบอกว่าเพราะได้เห็นที่สุดเนี่ยนะที่สุดก็คืออะไรพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยเห็นที่สุดนะเนี่ยคนะว่าเห็นที่สุดที่สกัดกั้นความว่าชรายังความเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งปวงให้สิ้นสุดไปพยาธิยังความเป็นผู้ไม่มีโรคทั้งปวงให้สิ้นสุดไป มรณะยังชีวิตทั้งปวงให้สิ้นสุดไปความเสื่อมลาบยังลาบทั้งปวงให้เสื่อมสิ้นสุดไปเนี่ยนะนินทายังความสันเริญทั้งปวงให้สิ้นสุดไปสุขความทุกเนี่ยยังสุขทั้งปวงให้สิ้นสุดไปเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าที่สิ้นสุดเนี่ยนะทุกอย่างมีที่สุดหมดเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ไม่มีที่สุดนั่นคำว่าที่สกัดกั้นความว่า สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความเป็นหนุ่มสาวถูกชราเนี่ยสกัดกั้นไว้สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความไม่มีโรคถูกพยาธิเนี่สกัดกั้นไว้สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาชีวิตถูกมรณะเนี่ยสกัดกั้นไว้สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาลาบถูกความเสื่อมลาบนั้นสกัดกั้นไว้สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนายศถูกความเสื่อมยศนี่สกัดกั้นไว้สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความสันเสริญถูกความนินทาสกัดกั้นไว้ สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขถูกความทุกข์สกัดกั้นไว้คือปิดไว้มากระทบมากระทบเฉพาะทําลายทําลายเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าที่สุดที่สกัดกั้นไว้นี่ยนะว่าทุกอย่างมีที่สุดอยู่แล้วคําว่าเพราะได้เห็นก็คือเพราะเห็นประสบพิจารณาเทียบเคียงทําให้แจ่มทําให้แจ้ง น, นะฮั้นการเห็นสิ่งเหล่านี้นะจะต้องพิจารณาเทียบเคียงแล้วก็ทําให้แจ็มทําให้แจ้งเนี่ยนะอันนี้คือหลักการเจริญวิปั ส, สนาเพราะโดยสาววิปั ส, สนาก็แปลว่าเห็นนั่นแหละแต่เห็นเห็นแบบไหนก็ต้องเห็นแบบประสบแบบพิจารณาแบบเทียบเคียงแบบทําให้แจ็มทําให้แจ้งเนี่ยคาว่าเราจึงได้มีความไม่ยินดีคือเพราะเห็นอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดว่าทุกอย่างมีที่จบหมดจึงไม่ยินดีความว่า ความไม่ยินดีความไม่ยินดียิ่งกิริยาที่ไม่ยินดียิ่งความระอาความเบื่อได้มีแล้วนะทุกอย่างมันน่าเบื่อหมดเลยอันนี้ก็ลักษณะของอะไรอาทีนวานุปัสนาที่มีกําลังเนี่ยนะที่บอกว่าเราได้เห็นที่สิ้นสุดที่สกัดกัน้นจึงไม่มีความยินดีเมื่อเมื่อทุกขสัตว์เนี่ยมีมีที่สุดหมดมีที่จบหมด สมุทยาศาสตร์ก็ไม่กําเริบนะอันนี้ประกาศถึงว่าเมื่อทุกขานุปัสนาอนิจจานุปัสนาอนัตตานุปัสนาเนี่ยเกิดดีขนาดนี้เนี่ยนะนิพพานุปัสนาก็เกิดแต่การบอกไม่ได้บอกว่าความเบื่อหน่ายตรงๆแต่บอกว่าเราไม่ยินดีไอ้คำว่าไม่ยินดีเนี่ยแหละถับแปลว่าเบื่อหน่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อยินดีอย่างเงี้ยจึงได้เห็นลูกศร อันเห็นได้ยากอาศัยหะไทยสัตว์ของอาศัยหะไทยในสัตว์ทั้งหลายนั้นคือเพราะไม่ยินดีอย่างนี้โอ้โหแต่ว่าตรงกันข้ามเลยนะสัตว์ยินดีซะโดยมากนะแต่ทุกคนที่เป็นอย่างนั้นเพราะถูกลูกศรมันเสียบอยู่ที่เป็นอย่างนั้นนะถามว่าลูกศอนที่เขาถูกเสียบอยู่คืออะไรลูกสอนคือราคะเนี่ยเสียบเอาไว้ลูกศรคือโทสะเนี่ยเสียบลูกสอนคือโมหะลูกศรคือมานะลูกสอนคือทิฏฐิลูกสอนคือความโศกลูกศรคือความสงสัย เพราะฉะนั้นคำว่าได้เห็นได้แทงตลอดคือได้เห็นเนี่ยโอ้มีหน้าถูกลูกสอนเสียบกันทั้งนั้นจึงเป็นอย่างนี้กันถูกความหวังเสียบนความหวังทุกคนนะทุกคนเมื่อนันเป็นนี่เมื่อนี่เป็นันนันเราตั้งความหวังก็เมื่อเมื่อพอไปถึงระดับนั้นก็หวังใหม่ใช่ไหไปถึงยังไม่ถึงเราตั้งให้มันไ่บิหน่อย่นนค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆไหมค่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆ ลูกเออลูกมันโตเมื่อนั้นเมื่อนี้มันจบเมื่อนั้นมันยังสบายมางี้ยนะเมื่อนี้เลยนะเมื่อลูกมันจบแล้วแล้วก็สบายแล้วว่ามีเงินเท่านั้นแสนเท่านี้มานนะเอยเราสบายแล้วเไปถึงตรงนั้นก็ตั้งใหม่เดี๋ยวก็ไม่ตั้งเรื่องนี้ก็ไปตั้งเรื่องอื่นต่อกันนะแต่ว่าลูกสอนเราเนี่ยเนี่ยมันเห็นได้ยากนันแะถามว่าที่บอกว่าเห็นได้ยากเขาบอกว่าเห็นได้ยากดูได้ยากพบได้ยากรู้ได้ยาก ตามรู้ได้ยากแทงตลอดได้ยากเนไหมไอ้ลูกสอนอันนี้นะใครมั่งจะถูกคิดว่าจะยอมรับว่าตัวเองกําลังถูกลูกศอนเสียบอยัวนะลูกศรคือราคาลูกศรคือโทสะลูกศรคือโมหะโดยเฉพาะโมหะเนี่ยนะมีเมื่อใดมั่งอ่ะที่เรารู้สึกร้อนว่าเกินว่าตอนนี้ฉันถูกโมหะเล่นงานเหลือเกินเนี่ยนะโอ้โหอันนี้โมหะเนี่ยเห็นยากมากไม่มีความรู้สึกนะว่าเราไม่รู้นะไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเรานี่ทําไมโง่ขนาดนี้เนะี่ย ถ้าจะรู้สึกต่อเมื่อมีปัญญาแล้วจึงรู้สึกแต่ตอนที่โง่ๆเซ่อๆอยู่เนี่ยจะไม่มีความรู้สึก้วยนะนะซึมๆอยู่เนี่ยนะเดือดร้อนเนี่ยไม่ค่อยมีอ่ะเนี่ยนะของเรานี่เมื่อไหร่เราโง่บ้างะนะหายากนะ <laughs> <laughs> ตอนไหนบ้างเราโง่คุณช่วตปีนี้ไหม <laughs> <laughs> ถ้าเป็นเราเลยไม่มีฉลาดหมดตลอดเวลาหมด มันต่อพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าคนที่อะไรนะคนเขลาหรือคนคนโง่เนี่ยนะที่สําคัญว่าโ ง, ง่อะก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างว่างั้นนะนะแต่ว่าถ้าไม่ไม่คิดอย่างนั้นแหละก็โง่าถาวรนั่นแล้วอันะเป็นลูกศรที่เห็นยากจริงนะสิ่งเหล่านี้เนะไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองโดยเฉพาะลูกศอนคือมานะนี่ก็เห็นยากะยิ่งลูกศรคือทิฏฐินะใครคิดว่าตัวเองกําลังเข้าใจผิดอยู่บ้างเอ้า เนี่ยนะเนี่ยนะเราเน ette, notes, truth, ี you ่ยเข้าใจผิดนะความจริงเนี่ยมันไม่เที่ยงนะแต่ทําไมเราเข้าใจว่ามันเหมือนเดิมอ่ะเดือดร้อนเลยนะไม่ค่อยมีอะเห็นยากมากเนี่ยนะเมื่อไรที่มันจริงๆแล้วมันทุกข์นะทําไมเราจึงว่ามันสุกอ่ะนะแล้วเดือดร้อนนะยากแต่ว่าก็ถูกเสียบอยู่นั่นแหละนะมันเป็นอนัตตานะแต่ทําไมเราสําคัญว่าเราว่าของเราเนี่ยนะมันมันไม่ยั่งยืนแต่ทําไมเราว่ามันเหมือนเดิมเป็นต้นเนี่ยมันอสุภะนะ แต่ทําไมเราคิดว่ามันสุภาพเนี่ยนะคนที่จะเดือดร้อนร่วมอำนาทิฐีอย่างเงี้ยยากที่จะเห็นโทษว่าทิฐิเนี่ยมันนํามาซึ่งความเดือดร้อนทุกข์มากเนี่ยยากที่จะเห็นแต่ลูกศอนเห็นง่ายๆก็คือพวกความโศ ก, กะนะ ก, ก, ก็รู้ว่าโศกนะนะร้องให้ก็รู้ว่าเขาบอกว่าลูกศรเหล่านี้เนี่ยนะมันมันเกิดอยู่ในจิตของสัตว์นะนะก็คือจิตใจมโนโมนัตหัตยะปัณตระมโนมนายตนาะมนินทร์วิญ ญ, ญาณวิ ญ, ญญาณขันมโนวิญ ญ, ญาณธาต ไอ้ลูกศรเนี่ยเรียกว่าอาศัยหะไทยคําว่าอันอาศัยหะไทยก็คืออันอาศัยจิตเกิดร่วมกับจิตไปร่วมกับจิตเกิดร่วมเกี่ยวข้องสัมปยุต ด, ด้วยจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันกันกบจิตเพราะว่าพวกเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะสัมปยุตกับจิต เอาเดี๋ยวไปล่อยไว้น่ะให้เขาตัดอะไร <C> คำว่าเพราะได้เห็นที่สุดที่สกัดกั้นเราจึงได้มีความไม่ยินดีอันหนึ่งเราได้เห็นลูกสอนอันเห็นได้ยากอาศัยหัตไทยในสัสตว์ทั้งหลายนั้น